นะโมตัสสะพุทธวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพุทธวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพุทธวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธะกุโสยถาดุกหิโตหัตถเมวานุกันตติ สามัญยังดูปรามทัง้งเนระยาอยู่ปกติติอิมัตสรรมะปริยายัสะอัโทสาทายสุมันเตหิสกจังธรรมโอโสตบโบตีนาบดีอัตมาจะได้สแสดงธรรมีคาถาพันลณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉ ล, ลาดของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันเราท่านทั้งหลายโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธ เ, ทเจ้านั้นเป็นคำสอนที่ดีวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลก คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีก็จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็ดีอยู่ที่คำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นตัวเราจะดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปย่อมไม่ได้เหมือนกันกับอาหารเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐสามารถที่จะยังชีวิตมนุษย์ให้อยู่ได้ แต่ถ้าเราไม่รับประทานก็ดีอยู่ที่อาหารตัวเราจะดีตามอาหารไปก็ไม่ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการอยากจะได้ความดีเราต้องปฏิบัติตามการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ตัวของเรา อยู่ที่ศรัทธาของเราที่เราจะให้แก่ตัวของเราถ้าเรามีศรัทธาอย่างจริงจังแล้วการปฏิบัติย่อมมีผลสำเร็จเพราะว่าการปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนามธรรมการปฏิบัติตามนามธรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชื่อมั่นในจิตใจ เมื่อจิตใจของเรามองเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมะแล้วเราก็สามารถที่จะหาเวลามาปฏิบัติได้หาโอกาสที่จะมาปฏิบัติได้ถ้าเราให้โอกาสแก่ตัวของเรานั้นเราก็มีโอกาสมากมายในชีวิตหนึ่งหนึ่ง เราว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถทำคนให้ไปสวรรค์ได้แม้นว่าเราพากันปฏิบัติม า, มากมากอย่างยิ่งก็สามารถที่จะไปสวรรค์ได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุสี่ที่จะต้องแตกดับไปธรรมดา ส่วนใจของเรานั้นไม่ใช่ธาตุสี่เป็นสิ่งที่เหนือกว่าธาตุทั้งสี่เหล่านี้ใจของเรานั่นแหละที่จะไปสู่สวรรค์และนิพพานหรือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาศัยใจของเรานี่เป็นต้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคุณธรรมให้เกิดขึ้นคือปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้น จึงเชื่อว่าเราได้กระทาให้แก่ใจของเราคือตัวของเราแล้วก็เป็นประโยชน์อันแท้จริงแต่ว่าการที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องได้นั้นก็ต้องอาศัยฟังธรรมะคาสั่งสอนจากท่านผู้รู้เพราะว่าการปฏิบัติที่จะต้องงมงายนั้นมีอยู่มากมายการงมงาย มีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในตอนหนึ่งว่าพระหุงเวสรนังยันติปพพตานิวนานิจจะอารามรุกขเจตตยานิมนุษยพยตตติตามนุษย์ทั้งหลายเมื่อพัยคุกคามแล้วก็พากันหาที่พึ่ง อารามคือที่เก่าๆแก่ๆถือว่ามีผีสางนางไม้ต้นไม้ใหญ่ๆโตๆถือว่ามีผีสางนางไม้หรือว่ามีหินก้อนใหญ่ๆก็ถือว่ามีผีสางนางไม้สิ่งเหล่านี้เป็นมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธจเจ้าจะอุบัติบังเกิดพากันนับถือกันไปตามภาวะแต่การนับถือเช่นนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไร พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนตังโขสระนังเขมังเนตังสรณ ะ, ะมุตตมังเนตังสรณ ะ, ะมะขะ ม, มะอย่างนี้เป็นต้นคือการที่จะไปให้พึ่งก้อนหินใหญ่ๆหรือจะไปพากันพึ่งต้นไม้ผูกหรือว่าไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่งมงายทั้งสิ้น การงมงายเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อันใดพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีประโยชน์อันใดเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงจำเป็นต้องอาศัยท่านผู้รู้อาศัยธรรมะของพระพุทธ เ, ทเจ้ามาคอยชี้แนะให้แก่พวกเราทั้งหลายเมื่อเราได้รับการแนะนำแล้วเรามีความเชื่อเราละทิ้งความงมงายเหล่านั้นเราก็ สามารถทำสิ่งที่บริสุทธิ์ได้โยจาพุทธันจะทำมันจ่าสังคันจะสาราะนังคตาบุคคนผู้ใดามาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันนี้เรียวกว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเอตังโขสาระังเขมังเอตังสารณนามตตมังเอตังสารณมะมมะ สภาพทุกข์าปมมุจตจะติเมื่อบุคคลได้มาถึงซึ่งพระพุทธและพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระอะไรเพราะว่าการถึงซึ่งพระพุทธเจ้าก็มีตัวตนพระองค์ตรัสรู้การถึงซึ่งพระธรรมก็มีตัวตนอักษรอักขระที่ลงจารึกลงในเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมาย เมื่อเราถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมนำพระธรรมนำมาแนะนำต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้พากันตัดความงมงายออกไปแล้วเรามานำเอาพระพุทธและพระธรรมพระสงฆ์ใส่ใจของเราเอาไว้ใจของเราประกอบด้วยพุทธานุสติใจของเราประกอบด้วยธรรมานุสติ ใจของเราประกอบด้วยสังคานุสติคือระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ใจของเราก็จะเกิดความสะอาดใจของเราเกิดความผ่องใสขึ้นมาความปรารถนาของมนุษย์ก็มีอยู่แค่นี้คือมีอยู่ความสุขที่ต้องการเท่านั้นเมื่อเราพากันเดินทางไปในทางที่ถูกเราก็เกิดได้รับความสุขขึ้นมา ความสุขที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมะนั้นเป็นความสุขที่เรียกว่านิรามิตสุขคือเป็นความสุขเหนือกว่าโลกทั้งมวลหนือเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นเครื่องเจือปนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราพากันเข้าใจท่องแท้คือเข้าใจแน่นอนว่าธรรมะเป็นของดีวิเศษอย่างนี้ เราก็จำเป็นต้องเสียสละการเสียสละของเราคือเสียสละความสุขส่วนตนธรรมดาธรรมดาเสียมาตั้งอกตั้งใจทรมานตัวของเรานี้ให้เกิดความดีต่างๆในพระพุทธศาสนาเมื่อความดีต่างๆเหล่านี้สะสมกันเข้ามากเข้ามากเข้า ตัวของเราก็กลับกลายเป็นอะไรตัวของเราก็กลับกลายเป็นผู้มีบุญเราพากันกราบไหว้ผู้มีบุญกันหนักหนาแต่ว่าถ้าตัวของเราทำได้ตัวของเราก็เช่นเดียวกันคือเช่นเดียวกันก็ว่าท่านผู้มีบุญอื่นๆเพราะว่าบุญนั้นเป็นสิ่งสาธารณะใครจะทำก็ได้ คนไม่ว่าใครผู้ใดาสามารถที่จะกระทำได้ให้ตัวเราเป็นตัวบุญขึ้นมาเมื่อบุญอันนี้มากเข้ามากเข้าท่านก็เปรียบเหมือนกันกับเรือเมื่อเราขึ้นไปบนเรืออยู่ในน้ามันก็สบายดีกว่าเราจะไปลอยคออยู่ในน้ำซึ่งมันก็ทั้งหนาวและมีหน้ำซ้ำไปเดี๋ยวจมน้ำตาย เพราะฉะนั้นบุญจึงเปรียบเหมือนกันกันกบนาวาเช่นเดียวกันกับเทพพระเวสสันดรเราคงเคยจะได้ยินแล้วเรื่องเวสสันดรชาดกเวสสันดรชาดกนั้นพระพุทธเจ้ากําลังเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะได้มาตักสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาในชาติที่เป็นพระเวสสันดร น, นั้ น, นในชูชก ตาชูชกอ่ะมาขอลูกชายก็ลูกสาวคือกันหาและชาลีเมื่อตาชูชกไปขอพระเวสสันดรก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าชาลีกับกันหานั้นตกใจเป็นสุดขีดพากันหนีลงไปในสระน้าแล้วก็เอาใบบัวปกสีสะเสียทันใดนั้นตาชูชกก็ได้กล่าวคุกคามพระเวสสันดรว่า ไหนว่าให้ลูกหญิงลูกชายแล้วทำไมถึงไม่เห็นพระเวสสันดรตกใจจึงได้พาตาชูชกไปที่ขอบสะแล้วก็เห็นเด็กทั้งสองกำลังอยู่ที่ในสะเอาใบบัวปวกศรีรษะไว้พระพุทธพระเวสสันดรในชาตินั้นจึงได้ประกาศบอกแก่กันหาชาลี คือลูกหญิงลูกชายทั้งสองบอกว่าดูก่อนกันหาดูก่อนชาลีเธอทั้งสองจงมาเป็นยานนาวาให้พ่อนี้ขับยานนวาวนี้พามนุษย์ทั้งหลายข้ามให้พ้นจากอกสงสารแม้ว่าจะเกิดความลาบากเพียงใดก็้พยายามเสียสละเถิด เมื่อกันหาชาลีได้ฟังคำพระเวชสันดร อ, อย่างนั้นแล้วเธอทั้งสองก็ค่อยๆพลานขึ้นมาจากสะมากราบแทบเท้าแน่พระเวชสันดรกันหาก็อยู่ในเท้าซ้ายชาลีก็อยู่ในเท้าขวาพระเวชสันดรจึงได้ตีราคาเด็กทั้งสองเพื่อที่จะให้เป็นการถ่ายถอนในการต่อมา แล้วก็จึงได้ตรัสแกลูกทั้งสองคนบอกว่าเธอทั้งสองจงมาเป็นยานนาวาให้พ่อนี้ขับยานนาวานี้พาสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากโอคาสงสารเถิดแม้จะมีความลำบากเพียงใดก็จึงทนเอาเด็กทั้งสองนั้นก็ไม่ทราบจะทำย่างไร ลูกทั้งสองคนก็ร้องไห้น้ำตานองชัวช ок ก็จับเถาวันมามัดมือทั้งสองลากเด็กทั้งสองไปต่อหน้าพระเวชนดรนั้นแต่ว่าในพระทัยของพระองค์คิดว่าจะต้องพาสัตว์โลกทั้งหลายให้ข้ามโอคาสงสารไปให้จงได้แม้ว่าจะเอาดวงใจคือลูกทั้งสองไปแต่ว่า พระสัมมาสัมพทธิยานนั้นสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นการเทพพวกเราทั้งหลายได้พากันมาปฏิบัติหมายถึงว่าสร้างบุญขึ้นมาให้แก่ตัวของเรานั้นก็เป็นยานนาวาเช่นเดียวกันคือเป็นเรือในการที่จะนำเราให้พ้นไปจากโอขาสงสารนี เมื่อเราพากันเกิดมาพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนของท่านโดยทางพระพุทธศาสนาแนะนําให้เราสร้างบุญเราท่านทั้งหลายก็ต่างคนต่างพากันมีความเชื่อเสียสละสร้างบุญกุศลจนกระทั่งปรากฏเป็นวัดวาอารามหรือปรากฏเป็นภิกษุสามนเณร โอบาสกโอบาสิกามั่นคงมาตั้งแต่บรรพบรุษถึงเราแล้วก็จะมั่นคงต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไปอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติทั้งหลายนั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องใช้ความรอบรอบใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทน มิฉนั้นการปฏิบัติของเราก็อาจจะล้มคลืนลงไปวันใดวันหนึ่งถ้าหากว่าเรานี้ไม่มั่นคงเมื่อเราสามารถปฏิบัติมาได้ตลอดรอดฝั่งมาจนถึงในขณะนี้ไม่ถูกทำลายหรือว่าไม่ล้มคลืนแต่เราก็สามารถปฏิบัติกันมาผ่านมาได้บางคนก็อาจจะปฏิบัติมาสองปีสามปี บางคนก็อาจจะปฏิบัติมาเก้าปีสิบปีบางคนก็อาจจะปฏิบัติมานานกว่านั้นการที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาตามลำดับนี้ถือว่าได้สร้างวาสนาบารมีมาตามลำดับการเมื่อเราสร้างวาสนาบารมีมาตามลำดับการอย่างนี้ก็เชื่อได้ว่าเราท่านทั้งหลายก็จะต้อง ไปในทางที่ดีแน่นอนต้องไม่ไปสู่นรกหรือเรียกว่าอบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิทั้งสี่นั้นก็มีสัตว์เดรัจฉานเปรตอาสรุร์อสุรกายสัตว์นรกสี่สถานนี้เรียกว่าอบายภูมิผู้ที่พากันทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นย่อมเดินทางไปสู่อบายภูมินี้ภูมิใดภูมิหนึ่ง อาจจะเป็นภูมิสัตย์ใดฉานอาจจะเป็นภูมินรกอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นอสุรกายก็สุดแล้วแต่นั่นคือผลพวงแห่งบาปทั้งหลายการที่เราพากันสร้างอยู่ในปัจจุบันเวลานี้จนถึงบัดนี้อันนี้มันเป็นผลพวงบุญซึ่งเรียกว่าตรองกันข้ามกับบาปเมื่อเป็นผลพวงบุญเช่นนี้ เราเองก็ได้เป็นผู้เก็บคือเป็นผู้เก็บและเป็นผู้รักษาเก็บรักษาไว้ซึ่งพวงบุญเหล่านี้ให้มีความเอิบอิ่มหรือเรียกว่าเปียมด้วยพวงบุญถึงอย่างไรก็ตามในครั้งพุทธกาลโน้นคือในครั้งพระพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาก็พากันไปจำศีลภาวนากันมากมายเหลือกเกิน ต่างก็พากันเสียสละเวลาประเจมบัตรคุณธรรมความดีต่างๆนั้นอย่างเต็มเรียกว่าได้ผลเป็นอันมากในครั้งพุทธการนอนไม่มีพุทธศาสนาอย่างเดียวก็ยังมีศาสนาอื่นๆอีกหลายๆศาสนาแต่ว่าศาสนาอื่นๆเหล่านั้น ก็มาเทียบเทียมพระพุทธศาสนาไม่ได้เพราะว่าคำสั่งสอนนั้นไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนที่ดีวิเศษเพราะฉะนั้นผู้คนจึงได้โอนตัวมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างมากมายและเขาเหล่านั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าสามารถได้ไปสู่สวรรค์นิพพานดยนับด้วยเม็ดหินและเม็ดทราย คือได้ไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่นิพพานอย่างที่นับไม่ถ้วนกิจการงานที่เราพากันกระทาอยู่หรือว่าเราพากันเป็นอยู่กันอยู่ทุกวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีอาชีพมีความเป็นอยู่มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีบ้านมีเรือนมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกนั่นเรียกว่าชีวิต เมื่อเราจาเป็นที่จะต้องอาศัยชีวิตยอยู่แล้วเราก็จาเป็นที่จะต้องทามาหาเลี้ยงชีพด้วยประการต่างๆแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสถึงการทามาหาเลี้ยงชีพไวแล้วว่าเราต้องทำเป็นสัมมาอาชีวะการเป็นสัมมาอาชีวะนั้นก็คือการไม่ทำสิ่งที่ผิด เป็นต้นว่าค้าธาตุค้ามนุษย์ค้าสัตว์เป็นหรือว่าค้าสุรายาเมาค้ายาเสพติดอะไรเหล่านี้อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนที่เรียกว่าไม่ถูกต้องถ้าหากว่าทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทหรือไม่ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญแต่ตรงกันข้ามกับเป็นผู้มีบาป บาปนั้นให้ผลดังกล่าวแล้วคือไปสู่อบายภูมิบุญนั้นให้ผลดังกล่าวแล้วก็คือไปสู่สวรรค์และนิพพานเป็นต้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังทามาหาเลี้ยงชีพอยู่นี้สิ่งต่างๆที่มันจะมาก่อกวนให้เราทำความผิดนั้นมันก็มีอยู่มากอาจาเราจะต้องไปฆ่าเขา อาจเราจะต้องไปขโมยเขาอาจเราจะต้องไปหลอกลวงเขาอาจเราจะต้องไปกินสินบนอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้มันเป็นเรื่องของการครองชีพถ้าเราทําอย่างนั้นเรียกว่าครองชีพผิดแต่ถ้าเราอยู่ตั้งอยู่ในศินห้าเราก็เรียกว่าครองชีพถูกการครองชีพนั้นถึงแม้ว่าเราจะต้องทําการทํางาน แต่ก็ทำในทางถูกต้องเราก็ไม่ต้องเสียมคือไม่เสียผลไม่เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เป็นผู้มีความมั่นคงมีจิตใจตั้งมั่นเหนียวแน่นอย่างไม่มีการงอนแง่นคลอนแขนแล้วเราเองนั่นแหละแทอที่จะได้ความดีเหลือลนพ้นประมาณเรียกว่าจะนับ จะประมาณไม่ท้วนเพราะการที่เราพากันมารับเอาความดีเหล่านี้ไปนั้นเท่ากันกับว่าเรารับเอาเอารรถธรรมเนื้อเรียกว่ารับเอาทองคาแต่ทองคาในที่นี้หมายถึงว่าคําสั่งสอนคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่า เราได้พากันตั้งอยู่ในความดีแล้วเราอย่าพากันปล่อยใจของเราให้ไปหลงในทางที่ไม่ดีหรือเรียกว่าทางที่เป็นมันทางที่ไม่ดีทางที่เป็นมนัม น, มนนั้นไม่ว่าแต่ญาติโยมแม้แต่พระสององค์ขราเจ้าที่บวชแล้วเป็นพระเป็นเนน ความไม่ดีหรือเรียกว่าพวกมารประจนมันก็มีเยอะแยะทำให้พระให้เนนเหล่านั้นไม่สามารถทำความถูกต้องได้พากันประพฤติความเหลวไหลเหลวแหลกก็เท่ากันกับว่าต้องการบุญแต่ในขณะเดียวกันก็บุญนั้นก็กลับกลายเป็นบาปเพราะว่าการปฏิบัติความดีนี้ มีสิ่งที่จะมาขัดขวางการปฏิบัติของเราเยอะเราจึงต้องไม่เชื่อในสิ่งที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในจิตใจเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้สามารถที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวของเราได้ทุกขณะทุกเวลาชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น ที่มันชวนไปทำความชั่วเราก็ไปกับมันอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามีความเข้าใจในตัวเราว่าความชั่วเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นำตัวของเราไปสู่อบายแล้วเราก็ไม่ทำเราก็มาทำความดีอยู่อย่างที่เราพากันทำอยู่ในขณะนี้และเวลานี้ แม้แต่ว่าสาวกของพระองค์บางองค์ก็ยังเป็นผู้เททาความผิดไปก็ตั้งเยะตั้งแยะแต่ว่าการทําความผิดไปนั้นผลก็ต้องได้รับตอบแทนเป็นความผิดาหากว่าทาความถูกผลได้รับตอบแทนก็คือความถูกอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตายตัวถึงอตมาจะพูดมันก็เป็นอย่างนั้น ถึงอาตมาจะไม่พูดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าบาปอากโศลทั้งหลายเหล่านั้นถ้าหากว่าทำลงไปแล้วบาปให้ผลมันก็ต้องเป็นความทุกข์บุญให้ผลมันก็ต้องเป็นความสุขผูสโสยถานุกหิโตหัตถะเมวานุกันตติญาคาอันบุคคลก็ไม่แน่นแล้วดึงมายญาบาตเอามือฉันใด รูโสยถาดุกหิโตหัตถะเมวานุกันตติสามัญยังดูปรามัทถังนิรยายุปกัตติซึ่งแปลทันใจความว่าสามัญยังดูปรามัทถังหมายถึงการที่ทําสิ่งที่งมงายหรือเรียกว่าทําสิ่งที่ลูบคลําหรือเรียกว่าปฏิบัติในสิ่งที่เกิดความเศร้าหมองคือผู้ที่ เกิดความเศ้าหมองในจิตแล้วกายมันก็ทาตามเพราะว่ากายนี้อยู่ในอำนาจของจิตจิตเป็นผู้ที่สั่งการเมื่อจิตสั่งการแล้วก็ทำให้กายนี้ต้องทำไปตามจิตอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเกิดความงมงายหรือเรียกว่าเกิดความไม่เข้าใจในสิ่งถูกต้องและทำผิดลงไปอย่างนี้ นิระยายยประกัศทิตินิระก็แปลว่านรกก็สามารถจะฆ่าบุคคลพวกนั้นลงไปสู่นรกได้นรกนั้นมีอะไรบ้างนรกมันก็มีอยู่แปดหลุมด้วยกันนับไปตั้งแต่สัญชีวนรกรออรูวะนรกมหาอรูวะนรกตาปะนรกมหาตาปะนรก จนในที่สุ ด, นนสดก็ถึงอาเวจีมหานรกอย่างนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงสวรรค์สวรรค์ก็มีอยู่หกชัน้นจากชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็ชั้นดาวดึงสา์าชั้นยา ม, มาชั้นดุสิดศชั้นนิมมาณารดีชั้นปรินิมิตาสาวันดีที่อยู่ของพูรทมความดี ก็มีอยู่หกชั้นแต่พูดที่ทำสมาธิทำจิตของตนให้สงบได้จนกระทั่งเกิดเป็นปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตัตยฌานบ้างจตุทฌานบ้างคนจำพวกนี้ก็จะต้องไปเกิดในชั้นพรหมเรียกว่าสูงกว่าชั้นสวรรค์มีอายุยืนยาวมากกว่าชั้นสวรรค์ก็หมายถึงว่าไปอยู่ในในชั้นพรหมโลก ในการไปอยู่ในชั้นพมโลกนั้นก็ยังไม่หมดสิ้นเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ถึงพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลเขาก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกถึงแม้จะไปมีความสุขความสบายนานเท่าไหร่ก็ตามเมื่อหมดอำนาจของฌานแล้วก็จะต้องกลับคืนมาสู่โลกนี้อีกต่อไป เพราะฉะนั้นเรื่องของสวรรค์ก็ดีเรื่องของนรกก็ดีเรื่องของชั้นพรหมก็ดีทุกอย่างเหล่านี้อยู่ที่ตัวของเราที่จะทำได้ทั้งนั้นเราจะทำอย่างนี้เราก็ได้รับผลอย่างนี้เราทำอย่างนั้นได้รับผลอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีชีวิตของเราตลอดไปร้อยปีนี่ เราได้ทำถึงร้อยปีก็ถือว่าโชคที่สุดเรียกว่าเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยแก้ไขตัวของเราให้คงเส้นคงวาอยู่ในพระพุทธศาสนาเมื่อเราพากันมีความเข้าใจหรือพากันพิจารณาพิจารณาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเราคิดว่าเราจะพึ่งใครต่อจากนี้ไป เราคิดว่าเราจะพึ่งสามีเราคิดเราพึ่งภรรยาเราคิดเราพึ่งลูกหลานเราคิดเราพึ่งทรัพสมบัติทุกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายถ้าอะไรเพราะว่าทรัพย์สินสมบัติภายนอกนี้มันเพียงแต่ว่าเป็นวัตถุอันหนึ่งของโลกเท่านั้นมันไม่เป็นที่พึ่งแก่เราได้ มีแต่คุณน่ามความดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ด้วยประการทั้งปวงพอเวลาเราละจากโลกนี้แล้วเราจะไปสู่โลกใหม่เราก็จะต้องเอาบุญกุศลเหล่านี้ตามไปช่วยเหลือที่เราสร้างความดีนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งและฉะนั้นเวลาเราตายอย่างเงี้ยลูกหลานมานั่งร้องไห้สักพักหนึ่งก็หมดแล้วหรือว่า เมื่อเราตายไปแล้วทรัพย์สินสมบัติเราก็ใช้อะไรมันไม่ได้มีแต่คนอื่นจะต้องนาเอาไปใช้ต่างหากเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องเตือนสติกันเอาไว้การเทศนาเนีขอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเตือนสติคือเตือนสติให้พวกเราพากันตื่นตัวอยู่เสมอเสมอมือเรีย ก, กว่านึกถึง และตื่นตัวอยู่ตลอดไม่ใช่เราจะาพากันนอนหลับหรือเรียกว่า น, นอนหลับทับสิบไปเฉยๆถ้าเราพากันนอนหลับก็หมายความว่าหลับไปเฉยๆก็หมายความว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเฉยๆมันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เอาละชีวิตที่อยู่เฉยๆเพราะมันไม่ได้ที่พึงนแกเรา เราก็จึงจำเป็นที่จะต้องขวนขวายทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาจึงเป็นเรื่องของการเตือนสติซึ่งกันและกันพวกเรามาเตือนกันอย่างอัตมาเทศให้ฟังอย่างนี้ก็เตือนพวกท่านทั้งหลายเพื่อที่จะให้ตื่นตัวอยู่เพราะว่าจิตใจของเรานี้ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องเตือน มันก็คอยเผลถ้าเรามีผู้เตือนอยู่เราก็เดินถูกทางคนยังไม่เคยไถนาก็คงไม่รู้หรอกเราเอาวัวควายไถนานั้นปล่อยให้มันเดินเฉยๆวันหนึ่งก็ไม่ได้สักกี่อันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอางัวเอาควายมาเทียมไถต้องเตรียมปะตักไว้แล้วหรือเนี่ยกว่าเตรียมแส้ไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาแล้วก็เคี้ยนเลยมันเดินเฉยๆเคลี้ยนเลยเมื่อเคี้ยนมันไม่เจ็บประตักแทงตูดไปเลยมันก็จะต้องเดินเหมือนกับเราเอางวงมาเทียมเกวียนอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เอาประตักหรือไม่เอาไม้เดียวตีมันมันก็ไม่เดินจิตใจของคนเราก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยผู้ตักเตือนหรือเรียกว่าอาศัยผู้ทันที รู้แนะนําแนะนําให้พวกเราตักเตือนในพวกเราเมื่อเตือนอย่างนี้ไม่ฟังก็เตือนอีกสักอย่างหนึ่งเตือนอีกอย่างหนึ่งไม่ฟังก็เตือนอีกอย่างหนึ่งพราฉะนั้นในคําโบราณที่ท่านว่าย่อแย่ทอแท้ไม่ได้กินถ้าหากว่าเราย่อแย่ทอแท้ก็ไม่ได้กินล่ะแต่ถ้าหากว่าเราเอาจริงจงจังๆขเข้ามันก็ได้กิน เกียหมายความว่าได้รับผลได้รับประโยชน์เทศนาวาสานออาอวาสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอไวพรในันทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรณสุขพละอโลคยะปฏิพานธนสารสมบัติที่พัฒนมงคลชนมาสุขทุกประการ ยงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการรัชนียาทาวริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปตีอิชิตังภะเทตังตุมหังคิปเมวเสมิตชะโต สะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถาไมณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตุสพระโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีธีคาโยโกภวะอภิวาฒนสีธิสนิจจังวุทฒาปิจายิโนจัตารโรธรรมาวัฏทันตีอายุวันโน สุลงัลงหาัง